ใต่คุณให้นางไปทาเป็นกบฏทางมืปกิลาแล้วก็ให้ดิชายุนาระรยกไปคทับไปปราบกบฏดีทัทงนี้ก็พระนาจสุเสระรักติดก่อมคาสั่งพระเจ้ากโตกให้ไปลงโทษติชายุนาะละว่าทางานเรื่อขั้นไม่ถูกต้องตามนียบายโดยการทักะเลติชายุนาระออกเป็นสงองข้างแล้วก็ถอดออกจากฐานดานศัต เป็นใครุ่ฬาจินนาละก็เปลี่ยนฐานนะเป็นอ่าวันพุธตาบอดเดินทางร่นเร่ขับทีต่ตาลำนำําแหลกอาหารเขากินข้าวเขาจะเอาโก็มิ่นเรื่องว่าอยู่ชาไปตกแล้วทำน้ำบาปที่ไหนนี่จะไปสบายทางนูนปลายแดนแล้วตั้งให้เป็นแม่ทัพออกไปถึงจะไปกราบตบดราบข้าบหมดสิ้นที่ น, น้ำปลกครองทางมือตักติลาต่อไป น, นั่นหนึ่ง ไ็นยินเสียงก็มีพกแกรมงนำนำจำเสียงได้บ่าเปนเสียงลูกชายกูน่าละให้ไปดูว่าเปนเสียงไท ย, าาาจจายมาแล้วมาเล็กพงษ์พูบอกว่าเป็นขอพานตาบอกคนหนึ่งมาเล่นเพลงทีน่นาวังลูชายน่าูพระเจาโอกว่าแปเสียงรู้กูน่าละอยูข่ของเราเพราะฉะนั้นขอให้ตามขอทานคนนี้เขา้ามามตามขอทานคนนี้มาแลว้วพระองค์ก็จำไม่ใช่ะคไม่ได้ลูกชายก็ไม่อยากจะให้พระบิดาเลือตัวเป็นใคร กพราะย่งนี้ว่าคำสั่งที่แม่เลี้ยงต่างให้ทํากระตือเป็นคําสั่งมาจากพ่ออย่างนี้อย่างนั้นยังกลืออาญาคือคํามผิดอยู่ก็ไม่กล้าแสดงตัวเป็นใครถ้าจะเอาตสก็ขอร้องให้วันที่นีขับลำนำให้ตังเมื่อขับจบถ้าจะเอาตสก็รู้แล้วว่าคุณคุณนี่มีใครสุาชาตุมาราเป็นแม่เร่งก็แดงขึ้นเมื่อเรื่องแดงขึ้นแล้วถ้านางติ๊กนักติ์ก็ต้องรับตำคือถูกประหารชีวิต แล้วจุตเทวตินาละเองก็อาได้อาศัยเผยพระคุณอรหันต์แสดงคำไห้ฟังก็ดีว่าตาตาหายบอกตาห้ายบอกว่าที่นี้อาจจะหมายถึงว่าได้ธรรมาจากักรถกระาษเพาเราศกษาจิตทวติาละนั่นในที่สุดได้ออกบวชแล้วก็ได้บรรลพระอรหันต์เพราะนั้นเราจะสมบัติที่มีผู้ปียรับช่วงต่อไปอยากเข้าอโหกระสมบักิปกอยู่กับพระราชลักษาพระาชักษามีชื่อว่าเจ้าชายสัมป ไม่นับถือพุทธศาสนานับถือศาสนาอีกคนห น, น้าตบศาสนาเชนที่คาั้งนี้สมภิชีนี้ได้จับพระเจ้าอโศกไปกไจไปับบริเวณไร้จับพระอิาาาะายาตาไปจับบริเวณลไว้แล้วก็ห้ามไม่ให้พ ร, พ, พระเจ้าอโศกทําดญทำทานกับพุทธศาสนาต่อไปไปจับบริเวณลไว้หมดอิจภาพุราราพระเจ้าอโศกก็แก่ชรามากแล้วนี้จะทํายังไงล้านชายเป็นตบ อันนี้กับกรรมเกินกรรมเลีย น, นะครับพระจ้โตก็เคยใช่ยอย่างสมบัติชายมาก่อนอที่ันับถือพุทธศาสนาก็เคยทาอย่างนี้มาก่อนครกหน้าจะรู้ว่าเป็นคี่จะทามวทนากรมมาสนอไม่วันที่ิ้พระชนน์พระเจ้าวเอาโตก์ตะโยตะโวอ้าวุ่นสมออยู่แล้วก็ตรสถามบดาอมาตย์แต่่เวลานี้่านผ้ทวีขใครเป็นใหญ่ผูอ้อมาตย์ก็คูดว่าพ่เป็นใหญ่ จเจ้าตัวกจังบอกว่าถ้าเราเป็นดอทำไมเราจะทาบุญทำทานตามใจเราสมักไม่ได้เราจะเบกเงินในพระคลองพระคังมาทำบุญก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้เอาเรามากับบริเวณนั้วทำไมเพราะฉะนั้นเวลานี้สมบัตดในตัวเร า, าก็มีเพียงสมอขึ้นผลให้เจ้านำสมอขึ้นผลนี่ไปถวายพระที่วัดปิกุตารามและไปบอกให้พระท่านทราบแต่ว่าจริงๆผลของรามเป็นกรพรรดของเราในสมบูทวีไม่้พดกันเมีอะไรเป็นของแน่นอนกีลังสัอย่างหนึ่ง ผมดังคำพูดของพระพุทธเจ้าที่ว่าทั้งคันไม่อนิจังอย่างนี้แหละแต่ถ้าคนทรงธรรมสังเวชพระเจ้าอโยก็จังอย่างนั้นแล้วก็บอกเองจะ ม, มอขี้โขนให้การมาเล็กนําไปถวายพระดังนั้นเองพระเจ้าอโยก็จะรันเมขเมื่อจะรันเมขดไปแล้วการปกครองอย่างระบอบธรรมสังเตชที่พระองค์ทําขึ้นก็ลอยทางทลายไปด้วยแต่จากพระองค์ใหม่คือพระเจ้าสัมปติไม่ทําตามพระราชอัยกา เพระองครับถือศาสนาเชนไม่ได้รอุประมาศาสนาด้วรหลงากนีมือมุริะของเจ้าเจ้าก็ตั้งต้นสืบลงมาเลือ่อกทีเดียวแต่ามามีการตัดสินตระ ส, ร ส, สอง์อีกประมาณห้ารเอยรัชกาลกา ร, กรตัดองค์สุดท้ายมีพนามว่าพระเจ้าพรฤาษรถก็ถูกพรามเนาพรามคนหนึ่งชื่อว่าอุตริมิตรหรืออุคิตรเป็นครามในมกายสามเวกเป็นกระบอ จับประหารชีวิตและบุตรีนิตก็ตั้งราชวงศ์ใหม่ด้วยกว่าเงินลล ส, สูงค่าเวลาพร4 0ยเงินสูงค่านเนี่ยได้ทำอันตรายต่อพุทธศษษษษษาสนาพระเจ้าบุตรีนิตถึงกับตั้งรางวัลว่าผู้ใดปัดคอพระสงฆ์อีกหนึ่งจะให้เงิน100ดีนาเป็นเครื่องตอบแทนใครข้าพระองเินตายก็ได้รับร า, างวัลจากพระอง100ดีนา เพราะฉะนั้นวัดวาอารามในแคนมะคตก็ว่างเล่าจากที่สุเสกกลายเป็นวัดร้างพระหนีภัยไปหมดอยู่ไม่ได้แล้วพิจารณาในแคนมะคตก็เสื่อมโทมเลยเสื่มมากตอนนี้มีพระอยู่ได้พระเจ้าปิทิมิตีได้สืบปิธีอัจฉเิตะวิชายันแบบพรามขึ้นมาแล้วก็พยายามจะตัดโค่นลากเ ง, งาพิจารณาในคนมะคด แต่ภาพแต่บางองคเป็นกุศลของพุทธาสนาเพราะพระจาโศกได้เอาไปหาและได้ในแกลนอื่นๆถ้าหาว่าพุทธศาสนมีเฉพาะมาคดก็หนาาจะหมดไปเดียงนั่นแล้วม <Jamie, or S 1> ีก็เคาะดีกลเครานอื่นๆในอินเดียนั้นถ้ามีรับการเหลือล้านในแกอนมาคดจะอาศัยไปที่ความเย็นในแก่นอื่นได้ศาสนาทุกจิงรอบตัววิววิวงข้านี่ปกครองอินเดียประมาณหนึ่งศตวรรษแล้วก็ ปกับทางอินเดียภาคใต้เรียกว่าขันอันตรราชแต่ขั้นอันตรราชได้ขยายอํานาจขึ้นมาปกครองมกุฏในขั้นอันตรราชนี่จะนับถือพุทธศาสนาศาสนาพุทธกตัดต้นกิ่งอีกในอินเดียถ้ามีศูนย์กลางอยู่ที่มกุฏอันนี้จะเห็นว่าศาสนานั้นก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับทารัฐบาลนำของรับเป็นาพุทธศาสนาพุทธจะเริญมทำมาโดยชาวพุทธก็เสรินมีเพียงโขนหน้าพุทธศัพท์แล้วในอินเดียทั่วทั่วไป อาาจากราชย์คันธาราที่ปกครองมาโคตนั้นทางภาคเหของอินเดียก็มีพวกเล่ร่านอีกพวกหนึ่งอพยพมาจากไซบีเรียมองโกเลียพวกเล่ร่อนพวกนี้ด้วยพวกอินโดไซเซียนเป็นพวกผิวเหลืองมาตั้งรากฐานอยู่ในตอนเหืออินเดียแล้วแผ่อาณาภาพเข้ามาทางคันธาราจัดจะมีระลงมาถึงดินแดนคงคา โอมาโกอินโดไทเปี้ยนนี้ตั้งราชวงศ์ด้วราชวงศ์อัศวิศกขึ้นมีพระเจ้าอัศวิศกามหาราชเป็นประมุของ์ใหญ่พระเจ้าอัศวิกานี่ก็มารับถือพุทธศาสนาในขณะที่แผ่อำนาจมาถึอินเดียแล้วก็เปลี่ยนพ้ะไทมารับถือพุทธแล้วก็ได้อุปถัมพุทธศาสนาในอินเดียภาคเหนือเป็นการใหญ่ทีเดียวยกตัวอย่างการทำสงฆ์ไตรยนา โดยเฉพาะอย่างยิ the the mainland, way, ่งเป็นการสังคัยนาของนาร์ตะลาติว่าสังคายนาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการทาของกายอื่นไม่ใช่อนการ์เซราานั้นใบาหลีจะมีการตรวจหลักฐานสังคายนาครั้งนี้เลย้องคานาครั้งนี้ให้จับพริกตะตั้งราชธานีที่เมืองปุระในค่ายคันคราปฏิบัติอยู่ในเขตประเทศาติฐานตั้งปูรุตระเป็นเมือง แล้วพระเจ้าคฤติกาณ์นั้นมีราชคุริทึงเป็นคณาจารย์ในกายจาราวิศวชื่อว่าพระปรัชเวิระพระธีรารู่นนี้ได้ถวายคำแนะนำพระเจ้าณิตสกาอุปถัมภ์คณะอาจารในกายจาราวิศวทำทั้งขายนาได้ตั้งกองคำทั้งขายนาที่อุทนันวิหารม่มือฉลันพรในแครงกัจกัจมีรหรือคัตเมียดีนี้ผู้ที่มาเข้าควบคในกองทั้งานามีทั้งข้าทั้งขหั เป็นเนนบี้ยเป็นพวิษุภูติสัตว์เป็นบัณฑิตภูติศัตว์เขามาตั้งเพระอวุธการสังขารนาเดือดผลการสังขารนาก็คือการร้อยกรองคัมภีรัอักฉริยะพิเดกเรียกว่ามาหาวิภาษาเป็นอัตฉริยวิลัยพิเดกจานวนหนึ่งแสนคาถาเป็นสุ ต, ตันตะอัตฉริยสุกันตะพิเดกหนึ่งแสนคาถาแล้วก็เป็นอธิธรรมอัตฉริอธิธรรมอีกหนึ่งแสนคาถารวามหมดก็มหาวิภาษา คันธีมหาวิชภาษามหาวิพากนั่นเองสามแสนคาถาด้วยกันหรือเรียกต่ว่าสามแสนสรุป ก, ก็เรียกเมื่อทำพิธีนาเสร็ จ, จแล้วพระเจดียดกฉบับหลืองซึ่งเป็นฉบับของวาจักรพระเจ้ากณะลิกจักรก็โกรดให้จาร้ษึงในแผ่นธนแดงเป็นเป็นหลักฐานแล้วสร้างพระจดีใหญ่จิตนี้กลุก่มพระเจดีนั้นมาเห็นเป็นอันตรายถ้าใดรจะเล่าเรียนพระเจดียดกจุดนี้ก็ต้องมาเรียนมาคัดกรอกกันในค้น กับจะมีละห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายพระราบฎรฉบับหลงนี่ไปรายอื่นเ้ากลัวจะตกหล่นหายฝู่นไปพุทธศาสนาในอินเดียภาคเหนือก็ยิ่งเรียนขึ้นพระเจ้ากริลิกะก็เป็นธรรมเสนาออกไปเผยแผ่ศาสนาทั่วประเทศจีนประเทศรรรเร์ตีในไซบีเรี ย, รยธรรมทูของพระเจ้ากริกศากล่มแต่ได้เหยียบย่างไปถึงอันนี้ก็เป็นโถมหน้าของพุทศาสนา ในศตวรรษที่ห้าถึงที่หกหลังจากพุทธิจ้ามีพานแล้วทางภาคเหนือมีพระเจักระลิกศักดิเป็นองค์ศาวกนุกธรรมหลังจากนั้นไม่นานโถงหน้าของพุทธศาสนาก็เลยเปลี่ยนไปใหม่คือได้เกิดรัติมหาญาณขึ้นอาวุลเหตุที่เกิดรัติมหายานน่ะก็เกิดจากสาเหตุว่าพุทธบริษัทคณะหนึ่งมีทั้งท่าทั้งกระหัตมีความสมมตในหน้าที่รับผิดชอบ ต่อความเจริญในการเติมของพุทศาสนาเห็นว่าถ้าระเบิดบการเผยแผ่พุทธศาสนาให้กลับครืนให้เหมาะปัจสถานการณ์แล้วศาสนาพุทธน่าจะเอาตัวรอดเพราะเหตุหว่าธรรมะของพ ร, ระพุทธเจ้านั้นคนที่มีสติปัญญาอย่างสูงเท่านั้นที่จะเห็นคุณค่าคนที่ไม่มีสติปัญญาอันเป็นประเภิสามัญชนแล้วยากนักที่จะเห็นคุณค่าพุทธศาสนา พุทธศาสนาจะมีศาสนาเหมาะสำหับปัญญาชนแต่สําหรับผู้ที่ไม่เป็นไม่ใช่ปัญญาชนนั้นยากที่จะเข้าถึงพระพุทธนี่นะเคยสะดวกต่อการอ้อนวอนพระเจ้าสะดวกพอบในพิธีรีตองที่ศาสนาความไร่สนองเสนอแล้วให้ศาสนาพธไม่มีพิธีกรรมและพิธีอ้อนวอนอ่อพวดมนอ์อาคมครั้งต่างๆอย่างความไม่เป็นที่ศกใจของพวกสามัญชนเลยเป็นที่ศกใจเฉพาะเจ้าบัณฑิต คือเดมีจิตใจยกขึ้นสู่ระดับสูงหรือผู้คิดเป็นนักคิดเท่านั้นเองที่จะเห็น่ความดีข อ, ของพุทธศาสนาเราเพราะฉนั้นพุทธบริษักขณะนี้จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ในการต้อนเอาคนสามัญชนจำนวนมากมาเลื่อในไสและพุทธศาสนาแม้เพียงศรัทธาก็เอาดีเพราะฉะนั้นพุทธบราษัทคณะนี้จึงได้ตั้งนักที่มหาญาณขึ้น และคำคาโฆษณาอันเป็นคำขวัญประจำที่มหายานก็คือโฆษณาว่ามหายานสำหรับมหาชนเพราะมหายาณสำหรับมหาชนจริงๆคือรับได้ ท, ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นปัญญาชนหรือเม่แตปัญญาชนทั้งถึงเลยหมดพุทธบริษัทคณะนี้มีทงงรงมชาตั้งคติอัดนะครับคือลายชื่อนั้นแหละไม่ระบุว่าเป็นใครเพราะมันจะเป็นการกระทาของคนคนเดียว แต่หากเป็นการกระทำคนหลายคนดีวกันยากที่จะระบุชื่อบุคคลได้ว่าใครเป็นผู้เป็นต้มีกายมหายาและพิสดารศาสนาอันนี้ก็เราจะเห็นว่าเป็นการต่อสู้ของตักนัสกับสถานการแย่งเล่นที่ดีกลับมาพาถ้ายพุทธมีการต่อสู้เสียเลยล้วก็พระพุทธก็จะถูกเข้ากรีถูกเข้าพิยายใจเพราะฉนั้นการที่เกิดมหาญาณขึ้นยิ่งเป็นผลดีต่อพิสดศาสนา ทำให้ฐานะพุทธศาสนาในอินเดียน่ะกับมั่นคงขึ้นอีกวาระหนึ่หลังจากที่ทำทีท่าจะปลวกจะเปรเปีย้ยจะจนมีจนแหล่ไปแล้วให้ข้าคุณมันจะจนน้าเนี่ยอะ จ, จนมีจนแหล่ก็ให้มีเรื่องทุนชี้คันใหญ่โยนโครง ม, มากมีกําลังให้เกาแล้วก็ย่าไปถึงฝัง่งได้และมาที่มหาญาณในยุคแรกกึนไข่กลับมาต่ออายุ ข, ของพุทธศาสนายืนยาวแต่ไป ชาตุดษมหาญาณได้ปรับปรุงพุตศาสนาอย่างไรที่ทำให้แตกต่างจากพุทธศาสนาแบบเทระราชหรือแบบพิมยานในข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าชาตุษมหายาณ น, นั้นได้ยกเอาอุดพคติเพื่อพุทธภูมิขึ้นมาแน่นมากกว่าชาติตายพินายานคือว่าชาติายพินายานหรือตายเทระราชนั้นเราไม่ได้ถูกไม่ได้ย่ำม่อุดมคติื่องไ ร, ร่อหนึ่งใครก็ตาม ย่อมมีอิสระแก่ตัวเองที่จะปรารถนาลุกตะูมลุกปรารถนาตะเกียตะปูมปรารถนาอัลัฮตะูมแล้วแต่เราไม่เด็ูขาดหรือไม่เด็ดขาดแน่ว่าความปรารถนาในสามภูมินี้อันใดสังพันธ์กับอันใดถือว่าเป็นเรื่องของตะเกตะชนจะตัดสีตามกวามชอบใจของตัวเองแต่ว่าชาติพุทธมหายาณนั้นหา็นชนนั้นใหม่ด้วยย้ำถึงหลักของการเป็นภูมิศักดย้ำถึงหลัก เพื่อพ <else amiento> ุทธภูมิเป็นสำคัญโดยจะมีเตรียมผู้จิตาจชนะเป็นอรหันต์ว่าให้นั้นถึงนแก่ตัวปัดช่าเน้อยนี้เอาตัวรอไม่ได้นําพาต่อความรทุกข์ของสัพพะจักรการเป็นอรหันต์เป็นการเอาตัวรอเป็นการเห็นแต่ตัวแต่ปการเตรียพระพุทธเจ้านั้นึป็มหากริมาอันยิ่งใหญ่พราบุคคลไม่เตรียมพระพุทธเจ้ากองมาต่างมันจมีต่างหลอ้สงไข่แสนมหาจับในระหว่างนั้นก็จะได้ทำหน้าที่ทายเทศ เรื่องคกของัพพสัตดังนั้นบุคคลที่นี่คือการ์ธนาเป็นปฏิ ก, กะโทธิหรือการ์ธนเป็นอรหันต์หรือการ์ธนาแต่อย่างเดียวคือเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเหตุใจที่ั น, ในมาหายานนะครับหายานย่าหนึการพระพุทธเจ้ามาเพราะเมื่อสองคนที่การ์นาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วชาตพุทธนี้จึงเรียกนิกายหมายที่ตัวตั้งขึ้นว่านิ่กายมหายาณคือนิกายที่เป็นญาณพระหนะอันใด ที่จะสามารถขุตัดให้ข้ามโอกระดานได้มากเมื่อเรียกนี้เป็นมหายาณแล้วก็เรียกนิ้กายตรงกันข้ามว่าอินยานคือยาณมนาที่ัดแย้งเล็กๆเร็วๆที่จะช่วยคุณก็จะแต่เป็นส่วนน้อยไม่ช่วยคนณเลมากอย่างนกายใหม่ที่ตั้งขึ้นคือมหายานแล้วก็โฆษณาแพประกายหัวใจของนกายว่ามหายาณที่มหาชนไม่ใช่เอกชนแต่ที่มหาชน ทินีาณที่เอกชนมหายาณทื่มหาชนเพรว่าอย่างนั้นี่เป็นคำพูขนาของเขานะไปอย่างง่ายๆอามุตถ้าเริ่มพิจารณ า, า, า, าทิมเป็นสอมกายใหญ่สองมีกายใหญ่ไปเรียกคือมีกายทินญาณมีกายหนึ่งแล้วก็เพรานนะ่ทิมีาณน่ะเป็นคำเรียกของมหายาณเรียกหรอกาก็เป็นมีกายนี้ก็มาเรีนรับค ำ, คำเรียกหรือคเรียก้งตัวเราเรียกเราเองว่าเราเป็นเหรวาที แล้วก็เลยคิดว่าล้าก็ในจินตยานี้ก็มีเนิงมีาทีมีกายเดียวมีอย่างว่าที่ผมได้อธิบายมาแล้วว่ามีทีสิบแปดมีกายเนี่ยจะต้องใอินเดียแล้วนออินเดียยังไม่นับนะต่อินเดียนี่ต้องสิบแปมีกายสิบแปมีกายทั้งหมดเป็นจินตยานทั้งนั้นในสายตามห า, ยยานนม ญ, ญาณนะแต่จินตยานหมดอนอกจากหลักอุดมอุตติอุดมคติเป็นพระพิจารณาสิ่งความจริงก็เป็นอุดมคติมีคำพีในระหว่างเราเนี่ยมีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นข้อพันธุ์หใหม่ เป็นเพียงแต่ว่าทางมหาญาณเอามันเน้นเป็นพิเศษกันน่นเองหลักกันนี้นีน่เป็นอุดมคติในแง่การปฏิบัติทางมหายาณก็หยิดเรื่องพทธบาลามีมาิตมามาย้ำไม่พูดเรืออ่องอริยสัจบอกว่าเรืออ่องอริยสัจเป็นลูกเขาถูกที่อย่างเขาถ้าเป็นมหาญาณแล้วต้องพูดเรื่องบาลมีสิตเพราเราจะเป็นภูี่สัจ ก, กันก็เป็นทำบาลามีสิประการให้ถึงขอบคือ ด, ดีบารมีสิตประการ นี่เนหลักธรรมในมหายาณอุดมมบูอุดมปิตมหายานนี้พุทธภูมิโดยนื่การปฏิบัติวิจริยธรรมมหายานปฏิบัติตัวตามพุทธบาลมีสิอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดทีเดียวเตการทั้งนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยพุทธเจ้าลีพันแล้วห้า้ีเราจึงแบ่งได้ว่าห้าร้ปีแรกหลังเทศดาลบัขันเป็นสมัยที่พุทธศาสนาแบบอินาิแน้กายรุ่งเรือง แล้วก็อา500ปีหลังตะเคียนพศ5000ถึงพศ6000เป็นสมัยที่นิกายมหายานเริ่มเรืองทีนี้าณก็เปีติมไปค่อยๆเติมไปเมื่อเกิดนิกายใหม่ขึ้นมาทีนี้กายมหายานขึ้นอ่าเพื่มหายาณนั้นได้แต่งข้อ ส, สูตต่างๆขึ้นเป็นเรื่มากเพื่อจะให้คล้องจองกับคำสอนในรัฐธรรมได้แต่งข้อ ส, สูตต่างๆเพราะนั้นข้อ ส, สูตรในมหายาณ กินไม่เหมือนกับพระสูตรในมีการจีรเวททั้งบาลีและสันสกฤตผู้มหายานในใช้ภาษาสันสกฤตมาเล่ากรองรฐมวินัยแล้วก็แต่งสูตรการแต่งสูตรเนี่จะเป็นการอ่ทำทํากับคําปฏิรูป์ั้มจะเป็นการทําในสิ่งที่ค้ายๆว่าคำคู่คํานี้คุณทเจ้าไม่เคยพูดแล้วผู้มหายานก็มาแต่งบรรติพระโอษฐ์พระอื่นๆพูดอย่างนี้บาปาากรรมนี้กล่าวผู้มหายานก็ตอบไม่บาป เขาบอกว่าต้งเลิ้งเจตนาเจตนาที่เขาแจกข้าสู่รต่างๆขึ้นมาใหม่ๆนี่นะเป็นการแบ่งตามพุทธธรรมะถูกแล้วเข้อสู่รเหล่านี้มันจะพุทธพจน์แต่เป็นพุทธมติเขาว่าอย่างนั้นเราต้องแยกคําพุทธพจน์กับพุทธมติออกจากกันนะครับพุทธพุทธน่ะหมายความว่าคําพูดเหล่านั้นเป็นคําพูดที่ออกจากพระโอษฐ์กับพระกาสะดาพทือกตะลีจัดเป็นพุทธพจน์แต่ ถ้าเป็นพุทธมติแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นคำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ภาษาวกเขียงขึ้นกระดาษแต่ถ้าลัาลกดีในแนวกรอบะติของพระพุทธเจา้าคือว่าหลักการใหญ่ในพุทธศาสนาะคือหลักเรื่องอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเป็นหลักการใหญ่ถ้าใครก็ตามมาเขียงเรื่องราวต่างๆดูเรื่องทิ้งหลักการสามข้อนี้แล้วอันนั้นเราก็สือวเป็นพุธมติได้แม้มัสมะุตตบท ธรรมะอย่างน่าที่บาว่าเพราะฉะนั้นเขาสู่แต่งคำพูดเขาสู่ต่างๆขึ้นมากมายแล้วก็ใส่ที่ห้อแต้องบนว่าเอมืสือตังเอตั้งสมัยังอัทลาว่ะเขากนาบอเพราใ่ไว้เพราะว่าคีณเขาเขียนตามแนวพุทธมติเพราะในนอกรีตมติของพุทธศาสนาไปเลยไม่ที่อยากตามง่ายว่ะเขียนเสู่ใหม่ก็จริงแต่ไม่ที่หลักการพุทธศาสนาอาพุทธศาสนาจริงมีพวกขึ้นเรื่อย ต่างคณะาจาร์ต่างเขียนเขียนมีาการใหญ่ผม่านรูตอย่างง่างยๆนี่มาอวาวิทยาลายายาวที่เราใช้เทกันเทนาชาติเนี่ยนชื่อรทุกคพูดเป็นพุทธตชื่อเลื่แต่จริงเลยที่็พุทธตรมันมีแต่ตัวคาถาคือตัวคาถาปัน่นตัวคาถาพันเราเป็นพุท ธ, ธวัตดานชาจ์็กนะครับสมวนตัวรายาวในาคไทยเราเป็พุท ธ, ธตเป็นคนจินตะวีเขียนนะคำนูนจิ น, นจตะวีเขียนมา เช่นมหาชาตําำนี้นังเอ้ยมหาชาติฉบับที anyway> AK> ่สามกันที่เราใช้พิกันทุกวันนี้เอ้ยคำพูน่ะตาตาพอเอเ่ยพอาลีกันหาตีสุรีเจ้าก่อเกิดในปฐุมสุรีเนี่ยคำพูดพวกเนี่ยคุณจะพบที่ไหนเอยเจ้าเลยพระคำภทยผ่านไปจิ้นในกรุงศรีฐากว่าเนี่ยหรืออย่างําพรรณนาในกานอีกกันหนึ่งที่บอกว่าให้ดูล่าาเป็นเรื่องงงขึ้นคนขานนำพรเนี่ย พนาตัวเขาคันธมากแต่คำพูดไอว้รว่าคุณว่าคุณเ่องเนนาางนี่เนี่ยมีในคาถาขม่นี้คำพิมพ์ะี้ขยายกลางคาถาออกมานึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เ้วจะมาอ่างเราจะมาปาน้าผู้พิมพ์ตะี้ถึงเพศ่ยาวลายยามาหาชาราบว่าผูกนี้ทำแต่ทำปฏิรูปได้ไหมพูกนี้จุ่งจากทุตตุก์แต่งคาพูดที่พร า, าศาสนาไม่ได้ผู้ได้มเราเรา่าไม่ล่าเราไมว่าผู้ิพ์กีนี้เป็นพูกที่ทาบาปทำกรรม ชั้นใดล้วก็คงไม่สามารถประนามพวกคณาจารย์มหายาณที่ต่งคืูขึ้นชั้นได้คือพุสูมหายาณนี้ลักษณะคล้ายๆมาหายชาติลายยาวของเราเละครับหลักลมอนอะ่ะก็เป็นหลักพุทธพจน์หลักแต่คำขยายความายอะไรอีกนี่เลยใช่เป็นคำที่ผู้คณาจารย์ที่เขียนอะ่ะเอาไปขยายความสีเราเองก็คือหล่านี้สีสเราเองนี่ผิดคับพุทธในมีการเจริวัดผู้นี้ที่ี่ะวอ่า ถ้าตาจไปโดดกบั บ, บาลีถ้าตบาไปโดดกบับาลีนี่นจากพวกเราเป็นหเหลยว่าเราไม่กล้าถ่ายถอนในสิ่งที่ผู้มัญยัและไม่กล้าบัญญัติใสิ่งที่พวกมันไม่ได้บัญญัรักษาคุณเส้นคุาเอาไว้ทุกระดับทีเดียวนี่พวอาญาัขาไมมารับรู้กันพระของพวกเรานี่ครับเขาถึงว่าเขาต้องขยายการด่เพราะฉะนั้นเขาเลยแต่งเลือ่อยเชือไปเลยแต่งพรนนาความเป็นพันนาอหานแบบเี้เราบต่งว่า ย, ยาวมาหาชาไปแหละเลื่อยเชื่อไปเลยล แต่ถึงขน้นก็ถือว่าเป็นพุทธมตินะครับเพราะเราไม่ได้ทิ้งหลักเดิมในพุทธศาสนาไปอาก็สูสาคัญในมหายาณยุคนี้ที่ผู้มหาญาณเฉียนทึานก็มีมหาปรัชญาป ร, รมิตามหาปรัชญาป ร, รมิตาสูปธรรมะพุนร ก, รกรคืาาิกตูดการพระวิญญาติอตาวตังสกพุทาอาวตังส ก, กมหาญาณกุสรตูตดาราสูดไม่ไ ถ้าพิมพ์เป็ล่แล้วั้งเป็นตัวไหลยาวคื่อนยตระสูดตระสูดไม่ใช่สั้นๆย่อๆอย่างในบาลีเพราะคนเขียนขยายความมากมายวิมูลคีตรติอิทศสูตรสูตรที่ผมแปลเป็นภาษาไทยแล้วเป็นภาษาสูตรสำคัญที่สุดของมหาวิาลเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษารู้ใจจะจดาจะศึกษาประสูตรมหายาลหรือต้องการจะลิ้มรสววรรณคดีทางมหายาลดูก็มีเงินให้ไปหาวิมลคีตรติอิทธสูตรที่ผมแปล ดูได้โซโดกแก่ออกจากธรรมภาษาจีนเป็นภาษาไทยยีอยู่ด้วยมัน16ปริเฉยือ17ปริเฉยก็ไปแล้วลทิ้งมาแล้วสอตีอ่าเป็นภาษาถงขั้เป็นหัวใจของมหาญาณทานภาษาอาีดด่จดเป็นอันนี้รู้ที่มหาญาณดีเลยเพราะนั้นจึงควรแสวงหาไวา้ใช้เวลาที่เขาเปหลักสูตรในมาหาวิทยาลัยสูงมาหาวิทยาลัยชัยเรือนอยู่อ่า พอมาในลาลาขสเจ็ดร้อยินได้กปลากุดโฉมหน้าของคณาจารย์มหายานอุณทุกครที่สุดอุณขึ้นอุ์นี้เรียกว่ามีชื่อว่าท่านนาคราชินนาคราชินะโดยเป็นชามเป็นชามงวิกระะในคว้นอูสเฉิผภาคใต้คา่านอู๋เฉินในอินเดียมีสองแห่งนะครับท่งหนึ่งรียกว่าู๋เฉิเหนืออยู่รปลรามูลคนอุตรประเทศเดีนี่มีมือาลสี เป็นมือหลงกับปามีมืออายุยาเป็นมือรองของเมืองทางาใต้คือพัฒนาบทของอินเดียเนี่ยมีโกศอีกหนึ่งอีกคว น, ก น, ก น, กนึดือโกศตายพัฒนาโกศขึ้นมาเขาชุนเป็นพาพัฒนาโกศเดินเป็นพราภายล้างออกบวชปในกายกระลาสีวาแล้วมาศึกษามหายานแลมีความเ้าชื่นกินทำทันีนกรับาากบกรบวชเป็นที่สุในมหายาณซ้อีกทีนึงทำทันทกรรมไปศึกษามหาญาณอีก ท่านผ้นี้เป็นลักดปวยาภีมีชื่อเด็หักล้างาพวกพัรธุ์าภให้แทราไปหมดแทรกวาหมดพวกพรามผู้ีเครื่งพวกอาชีวกพวกชีก่เคินธรมาท้าดปวยลาภีแล้วพนาครชุนหักล้างอาจาเป็นทุกธหมดปรนาพุ ท, นนทในอินเดียก็รุ่เรืองขึ้นโดยพระเทพรามหา ย, ยานุกิเลศท่านได้เขียนวิทยานิพลอันมีชื่อเสียงที่สุดหลายเล่มเล่มที่มีชื่อเสียงมาชื่อว่า มัทยามิกาบริติมัทยามิกาบริตตชื่นมกุฏิสุเกตนี่คือเรื่นีน้นนนั ก, ากดาราศาสตร์ตกไปเยกะย่องมากบอกอุดไปด้ยหลักการทางตกวิทยาอย่างหาตัวจับยากาที่จะหานักคดิดในทางตากวิทยาหรือทางรอยติที่ยิ่งใหญ่ยังท่านนากรชนไม่มีอีกแล้วเล ย, ล ย, ย, ยๆๆออของมนุษยยิ่งใหญ่จริงๆทุกทุนนี้ในคำพีมัทยาประกาบริติี่แหละในตนานมัทภาของท่าน พิ้าแลก็จะบท่าน <am> ่เป็นคถาว่าอนิโรธมนุาดัอนิเชดามาตัอนิการะมนาดารถอนาเดมนีรามะกระตตัวะป็นบุตรดัมเปรตันตัวก็จมันติบัมเดียดีมาสัมบุตะปันปนเดวัตตามร์เป็นคถาทัศสิคือท่านกล่าวคำตำนามคถาว่า อ่านผ้อง่นใดแสองว่าไม่มีความดับแต่มีความเกิดไม่มีความเที่ยวและ ม, ม, มีมีความขับสูงไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีอัจฉรอย์หรือไม่มีอัจ น, นานาประการสามารถดับปัปปัญจะธรรมให้หมดสิ้นไปได้เป็นปฏิจจสมุทโบาทท่านผู้อง่นนั่นคือพระตัมพุทธเจ้าสุเสุนฺธ กว่าบรรดาวาทะทั้งหลายข้าขอมอ บ, บน้องแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนี่คือปณามกถาในคำตรีมัทธยมกะาอริเตของท่านนาคราชุนแล้วท่านก็ขยายความปนามกฐานี้ออกมาสําเ ร, ร็จเป็นนิกายมหายานิกายแรกเรียกว่านิกายศสุญดาวาสหรือนิกายมาัตยมิกาแปลว่านิกายทางสายกลางนิกายมาัตยมิกาแปลว่านิกายทางสายกลาง ็นมีกายแรกที่แยกออกจากทในที่เกิดขึ้นในละที่มหายหญ่ในพอต่อเจ็ดพ้อยวลาพอต่เจ็ด้อยนี่เป็นเรื่องในมีกายฝุ่นละลาหร่มีกายมาติยนิทเราะะนั้นในครั้งนี้เราก็จำชื่อของมีกายมหายหญ่ได้ว่ามีกายมหายหญ่มีกายแรกในละที่มหายหญ่นั้นคือมีกายฝุ่หละลาหรืออีกที่หนืว่ามาติยนิกะมีกายคือมีกายที่ว่าในทางสกลางอนลักพระเยานมีกายนี้น่ะลึกซึ้ตรงกระทา่ง เวลาโอกาสที่จะมาอธิบายที่นี่ยากเย็นเหลือเกินผมเองมุบ่บรรยาในไม้ไร้โลเนี่ยนักศึกษาต้งฟังยากจริงๆผู้ผู้อธิบายก็อธิบายยากผู้ฟังก็ฟังได้ยากคือไม่ลึกซึ้งเอทั้ัว ง, ง, งรู้เร่งยาก้อรู้เรื่องยากเหลือเกินลึกซึ่งมากศึกษาต้ลึกซึงเหลือลเกินในวันนี้ก็ผอยากจะอธิบายเป็นคร่าวๆนะครับก็ม่เป็นเป็นฟิโลสอฟี่นิปรชาแล้วมันก็ต้องอยากเป็มดาคือว่า มีต่างๆในเรื่อนี้น่ะมีพลันพล ะ, ะ้วพลันธะะัวธรรมคือธรรมที่คู่คือมีและไม่มีมีและมีมถ้าจะพูด อ, อย่างตังนวนวัตชยาก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นสภาวะอย่างหนึ่งเป็นอาภาวะสภาวะหรือความมีอยู่ท่านใช้กับคำว่าสัตสะตถาสะ ต, ตถาตุแต่ไม่กับเต่าสะตัตา สัตวามีอยู่สิ่งที่ตรงข้ามกับสักวามีอยู่ก็คืออาสัตอาสัตวปกวามไม่มีอยู่กับปักความมีอยู่เป็นภาวะอาสัตว์ปกความไม่มีอยู่ไม่มีอยู่เป็นอาภาวะท่านอาจรย์ชุนแสดงว่าโลกกับนิทานนั้นน่ะไม่คือเป็นอัตว์หรือเป็นอาสัตโลกกับนิทานน่ะนอพาละภาละตีกันไม่ขชาทั้งภาวะและอาภาวะโลกกันิทานเนี่ย้านโลกกับนิพานน่ะ จเป็นศู์เป็นศูนย์ะหรือศูนย์ตารวังอามมัสิ่งท้งปวงไม่มีอัตมาระมังสจําเพราะฉะนั้นสิ่งทุก่งจิงล่ากล่าพระนารายณ์จะยปญาแล้วนว่าสิ่งท่างในโลกนี้งเป็นาวะพาวะเนี่ยนไม่มีอัตตาเพราะไม่นีอัตตาจริงว่างเล่าจงเป็นศูนมันก็เป็นศูน์เดีย เพียแค่นี้ท่านพอจะเข้าใจวา่าอย่างครับนี่ถึงว่าผมบอมันยากยากทั้งผมที่จะมาโอ้โหและยากทั้ ง, ท, งท่านที่จะเป็นผู้ฟังเนี่ยมันยากย่างๆแหละประชัชญาอมันข่านข้าทุนเนี่ยมันตั้งเป็นหลักพลังเงียบเงียบแล้วอ่านกันหลายเที่ยวถึงองเวลานี้ก็ยังไม่รับรองว่าตัวเองมีาเข้าใจปรัชญ า, นะาสีนิราก็ูก้องมันศึกษาตังมากขึ้นกวานี้และัวเองก็ยังไม่ไม่ไม่แน่ใจตัวเองจะเป็นู่ถ่ายทอด คำสอนของขณาขราุนนี่ถูกต้องนะฮะได้อ่านหนังงานาันธนี้ประมวลคำพียงท่ัน้งหมดคุณอ่านหมดงานขันธ์งานขณ า, าขรุนตองเขาคอยจับที่แลทและคาถาทีละคถาแล้วพยายามทํความเข้าใจแหมนี่มันมันสนิทตรงนี่อะที่สนิทที่มันยากแล้วพเราเข้าใจปลอกหนึ่งแล้วมันก็โอ้นี่ม่นมันสนิทตรงนี้ค่้เกิดความรู้สึกอยากจะตายเต้ากระดินคือ ก็ง่ายว่าคำว่าบบสีเตาที่ทางมหายาณพูดหรือทานท่ามนมาคาร า, าชุนพูดนี่เราจำหนง น, นะครับเข้ากับคำว่าอนัตตาในทางเทระย่าพูดแต่ท่านมาคาราชินว่าพวกเทระย่ า, ะา ไ, ไปเนี่ยยังเข้าใจอนัตตาไม่ถูกต้องท่านว่าท่านบอกว่าพวกเทระย่าหรือพวกจินนายเพียงแต่เข้าใจอนัตตาไม่ถึงแต่ฝานเพียงเข้าถึงเพียงเข้าถึงเพียงขึงข้นเดียว ก็ราะความศูนย์นั่นน่ะปราบไดที่ยังเห็นว่าโลกมีโลกอะไรดีต่างหากนิพานอยู่ต่างหากความเข้าใจอย่างนี้ท่านอาจารหมอใช่ไหมกับนิพานคือโลกโลกคือนิทานนิพานอยู่ที่ไหนโ่กอยู่ที่นั่นโลกอยู่ที่ไหนนิทานอยู่ที่นั่นเท่าไรเพราะว่าทั้งโลกกับนิพานอ่ะไม่เป็นสภาวะและไม่เป็นอวัยวะเพราะเหตุนั้นจึงเป็นภาวะเดียวกันคือศูนย์ศูนย์ไม่ผ่านละ เราไปทานเราไปถิ่นก็พอ啊ถ้เราไปถิ่นก็พอแล้วแเขาว่าเรากันหยุดโลกด้่อะไรเรากันหยดโลกด้อยอายุชะนะใช่ไหมถ้าเราไม่มีอายตนะโลกจะให้ความหมายกับเราคือว่าถึงเรามีตาหูจมูกติกายใจแต่อายตนะหสิบไม่มีเลยแล้วมนจะมีความหมายกับเรได้อย่างไร เพระอะไยูต้นอนาอกนี่ย่างว่าดีไหมเพราะอยู่ที่เดินกะขันอเพราะินกะขันนี้เพราะฉะนั้นโลกก็คือขันมีแตขันอยู่แหละเป็นโลกอำไมมึงมึงจขันแล้วโลกก็มีความหมายแล้วมึงจะขันหนึ่งหนาเราถือว่าเป็นภาระรูจ้จักท่านนาาักเข้าทอธิบายบอกว่าสิ่งใดเป็นภาะสิ่งนั้นจะต้องมีอยู่ด้วยตัวของมันเอง ไม่ขึ้นอยู่กับสิ้งอื่นสิ่งไรที่เปภาวะเนี่ยสิ่งนั้นก็ตัวนี้อยู่ในตัวของมันเองไม่ขึ้นอยู่กับสิ้งอื่นไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอื่นเป็นอยู่อย่างใดต้อเป็นอยู่อย่างนั้นนี่เรื่อยไปว่าขันห้าที่พิจารณาเลยอะเป็นภาวะหรือเปล่าอะไม่เป็นในเดินในนี้นนขันห้นาไม่เป็นภาว ะ, าะเพร า, าะ อ, อะไรเพราะขันห้าเป็นปริจารณามาทําคือเป็นคําที่ต้องเปลี่ยนแปล ง, ปลงทุกขณะ สิ si ut, en, ่งนั้นที่เปียนแปลงได้ทุกขนาดแได้ว่าสิ่งนั้นไม่เปลนด้วยตัวของมันเองต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นเ้งเมื่ออาศัสิ่งอื่นเกิดขึ้นเองสิ่งนั้นก็ไม่เปลี่ยนแะอันนี้เป็นการนิยามตับธรรมชาติของนักกายถลยว่าทางมหายานเขานิยามจับนี้ว่าสิ่งใดเป็นแาว่าสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ขันห้เนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขนห้าจอิ่งเปลี่ะ ิึงได้ไม่เป็นภา ham, วะถ <term> <cache> ่งน like ั im, ้นก็ว่างเปล่าถุงจะตาว่างเล่าในที่นี้เน่ไม่ใช่หมครับเรื่ว่างเเี้นเป็นสญ่งแวดล้อมนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่ว่างเปล่าโดยธรรมะแต่ั้งนันมันว่างเล่าวนีมันก็กรายเป็นอารมณ์ของเราได้ม่เชื่อว่างเปล่างบมันกลายไคล้องได้ต่างๆรอย่างนั้นเป็นปรากเป็นอารมณ์ูของเราได้การที่มันปรากเป็นอารมณ์องเราได้น่ะ มันปรากฏในลูกรักลอบของมายาธรรมเนลูกมายาสถา น, นี้ไม่มีถ้าจะพากันแกงอย่างเช่นว่าต้นจันอย่างนี้ล้วถากับที่ถากเกลือออกไปก้องกแตงแต่ให้เองที่เราถากต้งเกลืขถากไปถากมาต้นเกลืทั้งต้นหายไปเลยไม่มแกงเนถากไปถากมาไม่มีอะไรมันอะไรเละทีเราให้ลราถากละ่ะต้นน่้จะอากาศจะไม่ข‑‑ากเลยนี่มีแ่แหละถ้เาเหตุที่นูน้นนี้ไม่มีแกงนี่คือว่าต้นกัน กกทักกนได้ลเลวกว่ า, า, าะฉันั้นเฮ้ที่เลวกว่าคุณพาว่าเลวกว่าคุเป็นสุญญากาศหรืว่างเปล่าท่านนั้นการดัดจริงที่ว่างเปล่านะ่ะจะเป็นของจริงขึ้นได้ไหเป็นได้นะครับการดัดจร่งว่างเปล่านะ่การดับมายาธรรมจะเป็นของจริงได้ไหมผู้ได้หรือเปล่าครับได้ได้ไดยังไงครับเพราะว่าตัวผูๆๆ้เดาะก็เป็นมายาเนะเราเป็นธรรม ดับกิเลสก็เป็นมายาแต่กเลสก็เป็นขังเนี่ย อ, ması อ, ması อ, อ๋อไอ้ออนี่ท่านว่าดับมายาสรหมดแล้วก็เจอของจริงคพูดอย่างนี้พระศดราห่ว่ า, าขอนาคุนบอกว่าเป็นคาพูดโดยสมตตยสมติสัต์โดยสมมติสัตย์เป็นอย่างนี้นนะว่าเราดับมายาเสหมดแล้วเราก็รู้ถึงสันติคุณิทาน แต่พาว่าพระเดชพระมศับดิ์แล้วท่านบอกว่าไม่มีอะไรดับเพราะผู้ดับจะมี้่างดับจะมีได้แต่ไหนผู้ดับคือใครเล่าอนาคตนี่ผู้ดับเนี่ยมีแต่เบี้ยมีแต่บินจะขันมีตะขัก็ว่างเปล่าตัวเราพูดที่จะดับกิเลสเนี่ยว่างเปล่านะตัวเราเนี่ยเป็นมายาแล้วะี่เลสที่เราพูดจะดับก็เป็นมายามายาดับมายาผลคืออะไรมายาดับมายาเป็นผู้ดับกิเลสก็มายา ยิ่งเลยที่จะถึงดับก็เป็นมายาเพราะฉะนั้นเม่มายามายาดับมายาแล้วจะเป็นเป็นอะไรล่ะก็เป็นมายาเหมือนกันลบหมดลบตกค อ, อลบเขากับทีลบมดลบกคือเ น, นี่ยขันหาก็ตัวเราเนี่เป็นมายาไม่มีกัณฑ์สารไม่มีบุคคลเราเขาทีว่างนี้หมดเป็นมายาการยิเลยที่จะเกิก็สิ่งที่เป็ น, นมายาการมันก็เป็นมายาเพระะนั้นเมื่อ มายาแบบมายาผลก็คือมายานั่นคือสีตาสีตาใช่วันจุนยำตื่นเงี่ยตื่นตืจากตัวตนตื่นจากของของตนตู่นจากการเป็นกันสารตื่นในที่นี้อธิบายอย่างนี้ทั้งตัวตนทั้งของของตนทั้งสิ่งที่เป็นกันสารก็เมื่อตัวที่ดับไม่มีจริงโดยธรรมะความดับก็ไม่มีจริงโดยธรมัตื่นที่จะถูกดับก็ไม่มีจริในดยธรรมะแล้ว การค้นจากการทีม่มีจริงจะเป็นของจริงได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นโดยธรรมะตัดแล้วโรคจะมีานจริงไม่ใหนึ่งไม่ใสองไม่ใ่นึ่ไม่ใช่อใชใช้องการแสดงข้หน้าอย่างนี้ถ้าคนที่มีพื้นฐานทางธรรมะดีพอแล้วการจ ะ, จะกลายเป็นอุทธิธิธีนะอันตรายกหนงนเานีาเน่เป็นดับ้องคมถ้าฟโดยกามเข้าใจก็จะทหายกิเลสถฟังโดยการไม่เข้าใจคือฟังจะกายเป็นนิชาทิฏฐิ ข่านนักศึกาอุเทนภาพไปเลยข่านน้เข้าถึงกเกนในข้อนี้อย่างยิ่งข่านจริงย้ง่งไม่แย้วเพือใดจะตามขึ้นมศึกษาปรัชญาของข่านทานมีศีลสมาธิในประทฐานแล้วผู้นั่งผู้ยังข่านผู้ต้องศึกษาดีผิคนนี้นครับอ่า ข้อข้อนี้ท่านกรลยาโณตังอีกใหม่สีนะครับหลักวิญญาณส ม, มุติศาสตกับธรรมศาสตรเนี่นี่กายทางมหายานนี่กายทางมหายานเขาแบ่งโดยาอย่างยิ่มีกายสีวราสเนี่ยเขาแบ่งคือว่าโดยสมุติศาสตรน่ะท่านมาเขาทูลกับรับหลักลบุการรับต่งสงสารมีใครใครก็ตามทีปฏิเสธสมุติศสตร์ว่า เอาธรรมะมาเป็นตมุติุณนั่งเป็นนิานิชิถ้าจำท่านอย่างนั้นเอาธรรมะที่อรุุณท่านเนี่ยมาเป็นต้นมิปิศาจคุณนั่นเป็นนิชานิชิเรื่องต้นมุตจะเร่งต้มุตจะยากกันไปแต่เรื่องธรรมะที่ท่านว่าเนี่ยเป็นเรื่องการปฏิบัติวิกัสนายาณขั então, ้าสูงสำยบมาชแรกทิเลสแล้วก็นิก่าเที่อตมายาแร้วก็มายาแต่นี่ก็มายัึงเราไม่ถึงขั้น จะละได้ละมาอ า, ายะละมายาได้นะเราจะมาถือทฤษฎีอันนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างในฐานะบุตคชายนะไม่ได้ในอุเทนทิฐิที่เดียวอุอเทนทิฐนะิอย่างครูบุรณะกับจบธมบครูอิาเจตมัตุน่ะไม่แบบทีอว่าเอาวิหน้าปั่นลงไปในกระบานไม่ไม่ได้พานหรอกเพราะนชีวะวัธาตุกับทตธาตุนแหละ แยกดินหน้ารุนไปออกก็ราะไ ม, ม่บาดฆ่าคนไ ม, ม่บาดเอนนาไม่ถ่าไปหัวก็ไม่เอี่ยเป็นวตถุกระทบวตถุอนูกระทบ อ, น, ทบ อ, น, อ น, น, นูอธิปไตยประการคนนะแต่คุณวุ้นน่าตัดจบอสนอย่างนี้พียงแต่ยอดดินหน้ารุ่มไนมาแยาก ก, กระทบแล้วก็แยกกันไม่มีใครตายไม่มใครบาดบาดก็ไม่มีร้อนแบบนี้ถูกในเงี้ยประมัดแต่ในเง่สมมติใช่ไม่ได้เพราะว่าในงี้สมมติน่ะคนที่ถือทฤษฎเนี่น่ะยืนท่วมหัว ถอาหาว่ามีกี่เหรียญผมกเขาก็ไม่เอาเที่ยวข้ามรเที่ยวฟันใครแล้วมันมีกี่เลยแล้วก็เ็นี่อััตาสูงใจจริงเลแล้วก็เีงเพียงแต่ว่าาก็คิพาดในนี้สับสนคนเราขาลวก็คนผมอย่างนั้นด้วยยาถ้ายาละกุศลนะเขาก็มีาเที่ยวข้ามใหป็ล้หว่าไอ้คนที่เีว้ามไม่เป็นเล่ากบานคนน่ะคนนั้นมันก็ไม่ได้เข้าที่นียยาถายาละกุศลยาถ่ายยาละกุศลแต่ขัดสนะนะเพราะฉะนั้นอยาเอาประมัดไปเป็นสมุด อ า, ากรรมัตจะเป็สมมติแล้วแน่นอนไม่แค่้ช้ายาวอีกเชินเียตายแล้วต้องบายไปโลกันแน่แน่นอนที่สุดถ้าเห็นว่าโลกกับอานิทาน้ะไม่มีศูนย์คำว่าศูนย์ตาง ใ, ในใจยศูนย์ว่าที่ทานพรรคิพนธเนี่ยเป็นเพียงแต่กลางเป็นเพียงแต่กลางหมายปฏิเสธกลางเป็นภาวะทะ่เองเมื่อกางเป็นภาวะับไปแล้วอภ า, าวะก็ใคยไม่มีเลยเดียเพราะว่า ภาวะอาภาวันมันําคู่ครเราเมื่อมีอาภาวันก็เพราะอีภาวันเป็เครื่องเคียงเราเรื่างมีภาวันก็มอภาละนเครื่องเคียงนะเหมือาามนอ ย, นะอย่างหนึ่งเราเรู้ว่ายาวก็พาราะมีสั้นมาเครื่องรับเราเรู้ว่าสั้นก็พระมียาวมารัดก็ถ้าไม่มีสั้นแล้วยาวจะมีไหมไม่มียาวแล้วสั้นจะมีไหมไม่มีอันนี้แหละําแห่งาการเป็นคู่คือพลังพ ล, ละ้วามมือเขานี่แหละ เป็นทามที่จะต้องละไปต้องหลังคนที่จะจาะชนะนิทานจะต้องละาอ้ารปิดลูกตาทานในคันทวาส ม, มุทรธรรมคือทำเหมืนยามหนึ่งคู่ได้แก่ปอุปาทานคือยามติดในภาวะหรือัปภาวะคี่ได้เกิดกัมทัศนาในเรื่องภาระเหตุนั้นเป็นสัตว์ตัวที่ผดี่ได้เกิดทันาในเรื่องอานะเหนั้นเป็นอุเฉตธี่ผิดปัชญาของพรนาคราชุ น, นั้นสอนให้คนจับ ภาวะและหาภาวะกินดีกว่ามาถึงมีกายมีกายหรือมีกายว่าในทางสายกลางไม่เป็นทั้งอุเฉพะหรือมันเป็นทั้งไม่เป็นทั้งสกปะอย่างนี้เอาันนี้อธิบายเพียงเท่านี้ครับใต้เวลาพอเข้อแข็งแลัวนีกายมหายาณกายแรกถ้าเรามีตาสูตรนี่มีกายวิหยานแต่งแต่ว่าอ้างว่าพุทธศตวรรครับพระพุทธเจ้าแสดงที่ภูเขาที่จะกูดกูดนี่ ปรด็ก็คือสุตติว่าในเรื่องศูนย์ศูนยตาอนุตาเนี่ยว่าด้เรื่องนี้<ม>ตามเรื่องว่าทา่านโาินคงจิตตัดตั้งความตกลงพุเถินก็เห็นาพาธธระอรหันต์เป็นเพียงใน ว, วันนักิตที่ยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาทันคนนี้เป็ น, นักขิตที่ยิ่งใหญ่มากอันนี้ขันยาวมากพระาณาคนนี้ขาใจยา ไม่เคยจะมาพูดเรื่งงองหนึ่ง ก, กันในระยะหน่งชั่วโมงหลชั่วโมงไม่เป็นของไายเลยเข้าใจยากมากนี่เขาพูดกับเออหู้โหเป็นนิดหน่อยก็ได้เองครับไทยเดีย น, าาย น, น, น, นาภาคใต้เกิดในวันพรความไปเอาต่ายแทลถึงกบแปลครับกำลังกำลังทำอยู่แต่ยังไม่เสร็จ ชิ้นยอดๆครับมิเลหนึ่งในนั้นชิ้นหนึน่งปรัชญามาหาญาณเมามีชิ้นอีกเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าปรัชญามาหาญานได้ประมวลมีกายทางมาหาญาณสำคัญแต่กายไรอย่างอ่อนข้งนงังเวียนอาศัยในชื่อ น, นี้ศึกษาได้รครับคอว่าเพื่อว่าจะเป็ น, นกายที่เขารูติของปฐมสังขายนา ที่เท่าเเทระอลหันห้าลามีพระมหากัจจบเป็นประธานทำมาได้เพราะั้นมีการเทระราชที่มีการพึกษาาสนาบริสุทธิ์ไม่มีอะไรมาแตกตื่มากมายอย่างคนอื่นๆเขาเพราะนั้นการศึกษาพี่ธะาสนาาจะศึกษาแบบริสุทธิ์แล้วเขาจะศึกษาเาจะมีเดารีเป็นหลักเป็นเป็นพุทธพจน์บริสุทธิ์ึงจะมีสิ่งแตกเื่นบ้างก็น้อยเป็นทีไม่ใช่มีเลยมีบ้างอย่างกระส so ุนเรื่องราหูอดีตการอุมาทิศเนี่ยมันจะพุทธพจน์แน่หละกราหูเนี่ย ลาอูไล guru, <twitch. S 1> mm ่ต hmm. ก <een. S 2> ือดทางที่พจันทร์ทางที่พระจันทร์ก็วิมาพข้พระเจ้าแล้วก็อาแป็งคณะสการว่าละโมในพุทธวีรศกเนี่ยข้าพเจ้าคณนั้นเลพระเจ้าก็แก่กล้าวิทยุเตสจิกถัิพเขาติดคนแรกจากบรรดากึ่งหูข้างเอืองขั้นบาพระปฏิปันโนตานี้ข้าพเจ้าคณะนั้นเป็นในที่ขับแค่ที่ลำบากัตน์ในกรนังคะ อตัวเองป็นที่่อันกล้ตัวของข้าพเจ้าดีเถอะเพราะเป็นเร่งีเลาาอก็คายจีเดียรไม่กล้าองด้วยพระทเลยะ่อันนี้ทำาไม่ีอะรเลยด้วกอันนี้เราก็เสียดาว่าเป็นของที่หลังเอาข้ามาหายาแก้สมาเีุ่้มเด็กอะไรต่างๆแบบนี้มีเีไม่เข้าแกับมาหลังไม่ใช่วัาไม่ถึงก็มีเลยมีบ้างรอแต่ว่าน้อยเป็นทีแล้วก็ถึงมีแล้วก็ดูออกว่าอันไหนเป็นพุตก้แท้อันไหนไม่ใช่ถึงีเราก็ดูออกนะครับดูออกยังไงมาเอาสมาโยสูนี่เนี่ พล น, นาชื่อยักถื่อมากมายมากมายกายตัวเนี่ยเป็นคำพล น, นาเขาเขาสังขุที่กายจานพนเนื้อเอาธรรมะนี่ยอย่ตอน้ายที่บรรดาเทวด า, าหลายนี่มาฆ่าเขาากใจแล้วก็กล่าวพาผิดออกมาแล้วก็เขาตัสดอรูอย่างนี้ในเทวว่าก็มีบ้างแต่ก็มีกล่าวลายนอันนี้เราก็ขู่ได้ว่าอ่าตกนนพุธแบบดั้งเดิมนในบารีตราิดก ส่วนมหายาณหนักเป็นชาพุทธที่ตั้งขึ้นใหม่เมื่อพิจารณาแล้500ปีตั้งขึ้นพือจะปรับปริมาณนโยบายการถือแสตชนาให้สา ม, มารถต่อผู้กับผู้ก่อหน้าคามให้สา ม, มารถดึงคนที่เป็นชนชั้นสามัญมาเขยื้อ น, นสายได้มากมากที่งหมายว่านิกายถือว่าเราถือคุณภาพเป็นใหญ่ทำมหาญาณถึงปริมาณ น, นใหญ่เอาปริมาณมากไ้่อนเพราะงั้นประชาชนพ่าพี่รีตอนอพ่อสูงออแจกเครื่องรางของขัง มอาญาณเยอะ็ลองหมดไม่มีอยากจะมีคาถาเลยก็มีคาถาเลยให้อยากจะมีอะไรดีมีขอเพราะงั้นหนึ่งขีดยางของขังอ่าหรือพ่ออะต่างๆแบบนี้เนี่ยเอาเข้าไว้จากมหาญาณถือระบาดไปแค่นี้อ็ถือระบาดไาแค่น่ะเขาถือเป็นปฏิฐานในลมคือมุ่งหนักกระทปฏิบัติขับเก้าี้เลเป็นไปเพื่ออ่าปฏิสันนีนะหรือเกิดพระพิาตวันนั้นคนนั้นนั่งเล่นนั่งลมฟางนั่งขึขาถือไปเยอะไปทำทำทำ ปฏิบัติให้ให้ประโยชน์กับบุคคลอย่าให้เปคนร่างเล่าในมจันจรนี่เลยนี่เป็นสติถึงพระบาทนี่เลยในขับน่เนทางขับเกาเพราะนั้นทางมหายาที่หายาพรไบาทลันถึงแตตัวไงล่ะมหายาเลยก็บอกโอ้ถ้ายังนี่แล้วก็มมีใครมาอยู่บ <Ste ek ambling> ้านดีนี reviews, ่อนที <c oughs> ่ทั้งคนเอาอ้รพวกเงี้ยงี้ยเง้เง้ยเงี้ยี้เงงี้งี้งี้ยง้ยเงี้ยง้ยเงี้ยเงเงี้้ย้ยเงี้ยเง้ยเงี้ยเง้ยเงี้ยเเง้ยยเง้ยเงยี้งเเ้เ้ยง มหาวิเส่มตัวในเวทยจิตวิเวอุปพีวเวทยไมายไม่ได้เวลาเวลาเห็นแต่ต no right? no ัวแล้วเห็นแต่ตัวมหายาติบอกไม่ได้เราต้องกระเจงเข้าหาสังคมสังคมชอบเราแล้วัก็จะมีบริการให้เพื่อตอทีืว่าทันจะพูดากนตามครับถ้าจะตื่นนะเห็นว่าเหมือนอยู่ยายาเม็ดบริสุทธิ์ไม่ได้คลืบน้ำตาลมหายาตก็ยาเม็ดเดียวกันแหละแต่เนื้อนตาลเคือวระบายสีสีันต่างๆน่ากินเด็กๆถึงเข้าก็ชอบจริงที่เข้าดืยา คุณมีเป็นยาขมรักษาโลกมาเรืย่ยๆชมแต่ว่าคงไม่ใช่กินแค่มันขมเพราะนั่นงกินต้องมีไอ้น้ำตาลมาเป็นเตยขุ่มให้ฉันเป็นลูกหวาดคนมีู้ดกินไวะนั่นก็เป็ย น, นยารักษาโลกมาอายาจิงเป็นธรรมะที่ขุมนีให้สีรรสันส่งหุ่มไม่เยอะอย่าคอกนะาี่มันเป็นธรรมะอยู่ข้างในค่ณเ น, นแลว่า น, น, นยังไม่อะไรหุมเลยเราห้าเาป็นธรรมะบริสุทธิ์ล้นเลครอยากได้ก็เข้ามาไม่อยากก็ถึงไม่รอก ทำมาหาญาติย e ุงไม่อยากเข้าฉันไม่พียาเอาใจมาเข้าใจรู้กันยังเอาจะให้เอาใจข้าแล้วฉันเอาใจได้ทั้นั้นแหละจะเข้ามือฉันให้กม่หาทำได้นี่เป็นมหายานครับแล้วเมื่อมหายานเกิดขึ้นแล้วมันจะผล่ที่ราั่วฟ้ามันจะโผล่มาลึกเลยเยอะพวกนี้ขอาอ่อนยันมหายานก็บอกมามาอ่อนยันอนนั้นพวกก็มีอ่อยันเหมืนกันพวกนี้ไม่ขอบขัดใจอาจารย์นาถไปว่าขัดขืนเลยยากทำหายานบอกไม่้อ มหายานี ม, ม่ต้องอาศัยอัตนาอจนาโถระมีมีวิธีจะขึ้นปฏิพานธทางรักเกือเพราะปฏิพานธ์อย่างเช่นว่าลำ บ, บากถ้ามองในสายตาเขาคนสามันเา็นคนที่มีเล่าสนาบารมีนะเขา แ, แว่ลแม้ก็ต้องมาขับใจ้กิเลสโอ้พิจารณาโสโรติญาณมัต้องอุกกาบาตอย่างอย่างก็ต้องปฏิบัติยุหน่อทองหนอเนี่ยต้องอยู่ปฏิสันนะักมาหลีึ้นในรําับาั้นเองพาะว่าทำน้อยจะบอกไม่ต้งลาบากพกเขาหาบานหรอคาม ทามิโยสวรรค์เดยคนเนี่ย ค, คือสวร ร, นะ ร, รค์ธรรมะธรมนะแต่ในพระวิษุต่สดาบันแล้วคี่จะทำบาปมากมายพระวิษุณโยกบาปให้หมดไถาบาปให้หมด อ, อ่าความทามอะไรก็มีิทีพระเจ้าจะมาช่วยเรืกองอะไรมหาญาแบอกว่าอย่าไปหาความเลยทุกก็มีเหมือนกันทุกแบบมหาญาก็มีคือพระโัตวมีหลเยอะแยะอนี้ท่ใดมีทุกข์ั้งเวลาจารถึงพมะโพธิัตแก้านเองก็จงมาเชื่อแล้วเอง ไม่มีลูกก็จะได้ลไม่ับะได้ับอ่าอยากได้ลูกชายจะอ้อนโยนพูดกับข้าวไม่อยากจะประธานลูกชายอยากไม่ลูกหญิงจะอ่อนโยนพูดกับข้าวเพราะองค์ประธานลูกหญิงไปในที่เลียที่มือกลตัดจะทำร้ายโอ้โหร้าจะทำร้ายใครมิชาพูดกับขัดแล้วก็พูดกับัดองค์สำคัญที่าชุดมหาญาณนั้ืที่สุดน่ะคือพระอาวุโสโตโศนผู้ที่ตัดที่เลีอก่องคอินพระตาที่ขุนกันนอน ภาษาีว er ่อ่างตูไตโบต้างตโต้ามาภาษาีน่ะน่อ่าาีปุจ <Orlando> ันนโัภาษาจีน yes, ่ะมอเนี่่ยภาษาีกว่าอโลกิเตวรายบตตายมหาตายที่ทีมัน็รือนนะโตตัสไมอารียโลกิเตอวรายาโบตตตายมหากราะเนี่ยถ้าภาวนาอย่างนี้่นะฮะ ตกน้าไ ม, ม่หลายตกไฟใหม่เข้าไฟไฟใหม่เนี่ยไประคายผิวหนังดู่ยนคนทนทานตีไนในพสุธาณาลิศผู้ ท, ที่บูชาเปลน่ น, นาาณาพเจ้าัตกลุโโี้เสนอสตรายรุทธทำได้ไม่ได้ยาพิษทำอันตรายไม่ได้ฮแล้วก็ไม่อยากจนมั่งมีสีสุใดไหนก็เป็นคนมี่ตาลรักค่เองหน้ามไม่ได้น้าเมืจนก็มจนน้าตายบูชาพระป็นอินหรือพระอเตเสน่ะบูชาเนี่ย การสอนแบบนี้ชาบ้านธรรมดาชอบใจล้วล่ะชอบดีหเนี่ยออออนแบบนี้ก็อังช่วยหา่อยอมหายา น, บ น, บบนบาามบริการแบบนี้แข่งกับสนามสนามเลยสนามทาในทีเดียวเนี่าวบ้านชอบใจชาบ้านมธรรมดาสามัญะก็ชอบใจสินี่แหละมหายาจึงมีวิธีการด้วยมหาญาณที่มหาชนในเมื่อปรัชญาก็เอาซะลึกเลยอย่างสนามข้าชุหรือขึ้ตาเนี่ยไปเส้นลับลับลึกกระพั่งเทระว่าเองก็ตามคิดเป็น่ทัน่ะ ลักลับนึกไปเลยในแง่เรื่องสามัญก็มีเรื่องขึลางของขังอะไรต่างๆเ็งเนียอยากกระทอาคุอย่างนีเนี่ยได้บริการได้แต่ว่อคงทิดทั้งขยันทั้งฉลาดนั่นอได้หมดในมหาญามหาอายาม่โฆษณาว่าเัามหายานที่มหาชนเมื่อเกิดวิมหาญาณนั่นเรียกว่ารงข้ามว่าดีวิญาณวิญาณคานี้คืล้ลมันยอมรับเป็นขี้วตัวแตรั ALL MAX Bref, นเราแ่ระวหรือไม่ก็เรียกว่าสาวาก่ายานญาณของเขาฝ่าะฝ่าว่าะอานา้อยในธมปัจนน่ะ เนี่ยคือกันยังงครับเอ่อไครับาก็บอกว่าเย้ารเรย่้ามรองใช้การการที่เป็นกรยับอ่าไม่ยเนี่ยงาน้จะทา้ี่เกไม่ได้สิครับลุงลุงเปนตังโตใครเชื่อนีม่นอย่าไปเอาเป็นอารมณ์ครับลุงนี่เป็นเรื่องการจำเป็นลิงคอาสาธรรมชาติไม่นมจะเป็นเลยแม้ครับใระหว่างเอิเราไปอยู่ทางเมืองจีนหนาะ แล้วก็คุณจะอยากจะหุ่ตีวันแบบนี้หนไอยู่มันไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยมีลำบากมากต้องแล้วถุงเ้าแล้วท่านถุงท้าต้องไปมักเข้าไปให้แล้วดีไม่ดีต้องสวมหมูเข้าไปแล้วไม่อยู่ไม่ได้อหนึ่จะเป็นแบบที่ลูกน้องเกือบทํานายตาย้กเลกดมากเตหมดม่ันาเป็นธรรมาบคับต้องเกต้องใส่เสือ่งั้นอยู่ไม่ได้อันนี้มันสำคัครับแล้วก็ทราบแล้วว่าอย่าว่าแต่ทหารแล้วก็พวกนิกายอินเดียกัน่ะ ี่ใ น, น, น, นเขารกประิตรท่านรบาลเนเขาไะด้ถอนที่ขาตขกันอยู่แล้วเนาะก็บีที่ขาตัวเล็กน้ออยู่แบบนีอ ย, อยนเขาถอนเขาทาได้อยู่แล้ววีการ น, นิ ก, นนกนารเอยถอนกันอยู่แล้วเขาได้คิดดูไล่เขาก็ย่อย่านใพวกนี้อยู่แล้วไม่อ ย, ยากไม่ยอมทหาญาณทามหาญาณแล้วเขายินดีจะเป็นอาบัติข้าว่าการจะทาอาบัติอย่างนั้นเป็นการช่วยจัดให้าาข้าวอ๊ะข้ามหาญาณเป็นขุยหญิงในป่าสองต่ อ, อสองแล้วยหญินงนั้นเติบโตท้องโดยมันแล้วไงล่ะถ้ามหาญาณก็เป็นขุหญิงก็เป็นอาบัติอ ถ้าเป็นข้ามาหายาแล้วยอมอาบัตยอมปกครอง่ายเขาจะปกองก็ยอมแต่ถ้าการปกตรองนั้นจะเป็นการช่วยายทุกข์ของสัตว์โลกข้ามาหายายดิมดีเป็นเลนี่เขาพูมาว่าเขามีเทวท่จุมีหลักฐานกัดมาว่าจำนนข้าที่มยาแล้วเอาสิเพราะตัวสินขามีนายเสียนี่แต่ถ้าข้าหายายอมถึงเป็นประการคิดก็ยอมเป็นปรการคิดต้อกครองเอา แต่ว่าการเป็นประราชิตของเขานั้นจะเป็นสาเหตุให้สัตว์ทนทุกข์อย่าเขายินดีจะให้ัทนทุกข์นี่ในมหาางเขาวางเลวเพราะนั้นไปไปมาาาปาาหมายาณน่ดบรรดาปีศาจหมดหมที่มาหมวดหนึ่งเนาะต่างจากพิป ต, ติโมเ ร, โรรเรียกว่าเพลย์พตล่าปีาวินของเดดัตย์อยู่อยู่หลายข้อแล้วก็แงวยคือห้ามไม่ไดใ น, ในใจเลยตาย พิษโพ ธ, ธโิจักรพิษุพิโรธสินโพธิจักรเนี่ยถ้าเห็นคนขอ่านล า, ากอดคนอดอยากมาขอแล้วไม่ให้ใจเป็นเพียงวัริยะบอกูไม่ให้เป็นอบัตแล้วอาบัตเ็นเีพยงแคใจคิดเดียวแล้วถ้าห า, ากว่าเห็นคนล้วโอดคุเดินอ่านไปเห็นอยู่้อยู่ก็มือเฉยไม่ น, น, น, นพาพ า, า, าเป็นอบัตแต่อบัตที่เดียวินเนักรนืปาเป็นอบัตเพราะนั้นส ที่จะีห้าแม่พระจีนุ่งาได้วาถ้าจีน่งตาล้วเท่ากับเป็นการช่วยชาวบ้านทำตามนาบิบาทที่สุดายหาญาณจึต้องมังกรมีรักมักฉาิรักถ้าเหตุที่จีนอินจับต้เป็นเหตุแล่ถ้าเราไม่จีได้าวบานไ้จะมาเอาการจางตาเราทรุละาภาพใหม่เขายอยู่ว่าไม่เอาจะเอาผักมาลายที่สกดายาอา่างจีนุ่งเน้นมังกรมักฉาเด็ขาดเราะอยาจะทให้จีนอินับเจ้ามอให้ขาดไปไรเงี้ยแต่วันนี้ในที่สุดปฏิโมเรม่้แล้วนะ ถ้าหาวายในระบียน่ะรับสิน3าอย่างสินธรรมเนจรสินปฏิโลกแล้วก็สินภูริจักสามอย่างรักษาสภาพระบาดดิแต่ละสินภูริจักเด็กนี่แต่ว่าข้อแท้จริงในเรงการปฏิบัติที่นี่ลูกก้าวที่ทำตามสินภูริจับได้เนี่ยก็น้อยเต็มทีมีแต่เรื่องตั้งไว้วเปนหลักทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ในสินภูริจัพเี่มันอยดีแปรเป็นหมวดเลยมที่ว่าผูที่รับสินภูริจัก ถ้าเห็นในทศกัณฐนคนใดกายาจา ย, ยากขายเที่ยงจาบแต่พระพุทธรษัตริย์ประสงคตั้งเจ้าเป็นสติปัฏฐานาแล้วที่วสีเป็นสัตว์นั้นจะบองทิมเทสติกำลังจับใจบุคคลคนนั้นให้เลนสมาทิฏิถ้าจับใจไม่สาเร็จแล้วดูคนคนนั้นจะทำอันตรายต่อพิจารนาแม่ทหารชิดบุคคลคนนั้นก็คนให้อภัยให้ฆ่านคนนั้น้ะ เพราะว่าการฆ่ามันคนนั้นให้ถือว่าเป็นการฆ่าด้วยวามกรุณาถ้าไม่รีบฆ่ามันก็แต่งมันต่อการทาเข็งทำแต่พระธพุทธธรรมสง้วมันก็เป็นสุกโลกหมดไหมไดอีกหลายแสนชั่วกับถ้ารีบฆ่ามันก็แต่งมันต่อต้นใจหรือช่วคนคนนั้นเหน่ยจุโละนานเกินไปเพาไม่ทำจะทำกรรมชั่วแต่พุทธศาสนา2เป็นการคุ้มครองศานาพุทธทเพิ่งถ่ถ้าผู้ใดไม่ทำผู้นั้นเป็นอาบัติแม่และพิ่นูับมีอยู่ข้ออย่างนี้ มูข้อนี้เอาได้ทีขนาดนี้ละคือว่าฆาตหมาจายรัวเป็นหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองสาวชนะพิษให้เจากการถือเดือดเดียนเป็นหน้าที่โดตรงทีเดียวถามาว่าไอการที่ไปข่าเขาไาน่ะคนฆ่าหาตกรกไหมบแลว่าตกรกคนฆ่าก็รู้ตัวฆ่าแล้วตักนรเป็นตาลนาเปบาทตัตกตกรกสิแต่การตกนรกตกนรกแบนี่ยเขายินดีจะตกอ่เป็นการเชื่อให้คุณพลชนคุณนั้นน่เพ่มถ่ยส เป็นการชว่วพุทธศาสนาทั้งไทยเพราะนั้ น, น, น<ม>เขาจึงยินีตกกะลอเพื่อสัพพะสตว์และนี่แหละเขากเป็นศัพทิลิของมหาญาณลัที่แตกต่างกันยีเมยานเขาวาง่ะตัวนึ่งใความเลยการในชาวจนีนในเมืองไทรอ่ะที่จะเป็นชาวพุทธจริงๆที่รู้หนึ่งในคาพีมหาญาณจริงๆนะีอยู่แห่งนียในประเทศไทยไม่อยู่แห่งเดียว คือที่พุทธสมาคมไทยจินกระชาที่ห้าแยกสภานายข้างวัดโคกที่นั่นน่มีการพาธกษามีการสอนทำกันมีการเรียนทำกันจนคนจินตามบ้านตามโ อ, เองเรียนจะามพวกนี้ถึงศาสนะตาพิธีกรรมคือเข้าถึงศาสนาเนียงแค่ทธีกรรมอย่างเดียวทนึกว่ธรรมะคืออะไรไที่ตัวเร็ตัวน้จะไปใครไปไหนอยู้ไม่รู้เลยพวกนี้แต่เข้าถึงเรียนพิธีกรรมนั่นเองพอเพราะนั้นไม่ท้ากับที่เสื้อปอกนี้คนอานครับนกน า, า, างกายอยูหลังอิ้ทายหนึ่ง มีหลังกนาคือมีถูกกันคุรนิกามีกายเมหลังมีกายเมือหลังตั้งขึ้นในมืองจีนมีกายนาคะรุณตั้งขึนในอินเดียห่างสมัยกันเยอะแยะมีหลังตั้งเขาสองหนึพันสองร้อยนาคึรุตั้งเมืองเขาสองเจ็ดร้อยห่างกันตั้งหลายล้วยปีคุระพุทธเแต่เป็นมหายาณเดวกันคือมีกายแยในมหาญาณเดียวกันอ่ามีกายขึ้นมาเขาใเวลานี้ไม่มีแล้วไม่มีทีุ่มมีการว่าคือสูญไปโดยพุทธิไนแต่หลักคาทีหลักปรัยายังอยู่ ยังเรียนกันอยู่ว่าผัวเสือก็คือไม่คนเห็นภาพอีหรือรไหฮะกินเนื้อที่ลูกธรรมดาท่านกินกันนี้ดูดูรใส่ประการหนึ่งแลานื้อเนื้อเหล่านี้ก็มีโทษกินแล้วอาจจะยอด ย, ยากแล้วก็มีตัวขยะทม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก็ลักสาใหร้อนยนเตี้ไมสีไม่ตกเพราตกันนี่อย่งนี้นะครับ